หมอหรือหมูหมอโรคเฉพาะทางที่ร่ำรวยคนหนึ่งเพิ่งซื้อรถสปอร์ตคันใหม่ซึ่งมีกำลังแรงและแพงมากแน่นอนว่า คนเราย่อมไม่จ่ายเงินมากมายขนาดนั้นซื้อรถยนต์ซึ่งมีกำลังแรงสูงเพียงเพื่อจะขับจะช้าอยู่ในเมืองหรอดังนั้นในวันที่อากาศดีวันหนึ่งคุณหมอจึงขับรถออกจากเมืองมุ่งไปยังชนบทที่มีท้องนาอันแสนสงบ เมื่อเขาขับไปถึงย่านที่ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วแล้วเขาก็เหยียบคันเร่งจนมิดเพื่อให้รู้สึกถึงกำลังของรถเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นและรถสปอร์ตขนงามก็วิ่งฉิวไปตามถนนในชนบทนั้นคุณหมอยิ้มยังเบิกบานใจด้วยความพอใจในความเร็วสูงนั้น ผู้ที่ไม่ค่อยจะเป็นสุขนั้นคือชาวนาผู้กัมแดดกลมฝนผู้ที่ยืนชะโงกอยู่เหนือประตูไร่หมูเขาตะโกนลั่นสุดเสียงเพื่อให้ดังกว่าเสียงกระหึ่มของรถสปอร์ตคุณหมอนั้น แม้จะรู้ตัวว่ากำลังขับรถอย่างคึกคนองโดยไม่รู้สึกรู้สมกับความสงบสุขของสภาพแวดล้อมแต่เขาก็คิดว่าใครจะยังไงก็ช่างหัวมันฉันมีสิทธิ์จะหาความสุขใส่ตัวนี่ดังนั้นเขาจึงหันมาและแผดเสียงใส่ชาวนาว่า นายด่าไรไ้หมูเพียงแค่สองสามวินาทีที่เขาละสายตาไปจากถนนรถสปอร์ตของเขาก็ชนหมูตัวหนึ่งเรียงกลางถนนนั้นรถสปอร์ตหม่เอี่ยมพังยับและเพราะหมูนี่แหละ เขาต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายอาทิตย์และเสียเงินมากมายรวมทั้งรถยนต์ของเขาด้วย